เรื่องการชักสือ่อบรรดาะหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งทำหน้าที่ชักสื่อให้พวกบันดาะท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศธหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศธแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่7สันจริตตสิกขาบทที่5จบ